เอาใใละครมาสู่ในช่วงของเคส s t ีกันเลยจ้ะ อย่างเช่นวันนี้เรื่องต้องสู้จึงจะชนะครอบครองลูกก็มาสร้างบารมีที่วัดตั้งแต่ปี39แล้วก็สร้างบารมีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยทาบุญทุกบุญทคุณครูไม่ใหญ่บอกให้ทําทุกบุญไม่เคยขาดเลยค่ะแล้วยังเป็นนักเรียอนอนุบาลฝันในฝันที่เดียวของครูไม่ใหญ่มาตลอดลลกกลาบขอค า, าไม่ต้านครูไม่ใหญ่ช่วยฝันในฝันให้ดังนี้ค่ะ พ่อแม่งลูกน่ะมาจากเมืองจีนมีลูกทั้งหมดสิบคนลูกทำเป็นลูกสาวคนโตพ่อจึงมาให้เรียนหนังสือตามความเชื่อของคนจีนที่ว่าลูกสาวจะต้องคอยช่วยพ่อแม่ทำงานทำเป็นลูกต้องเป็นกำลังหลักคอยช่วยเหลืองานทางบ้านตั้งแต่ยุสี่ขวบ <Whoa. S 1> ตั้งแต่นในช้ามือช่วยแม่ทากับข้าวสี่ขวบ คงอร่อยนะให้ทุกๆคนในครอบครัวกินรวมทั้งต้องช่วยเลี้ยงดูน้องอีกเกคนอ๋อแต่นั้นคงไม่ใช่สี่ขวบแล้ว <c oughs> แล้วทำงานบ้านทุกอย่างจนกระทั่งลูกอายุได้20สบปีก็เริ่มมีหนุ่มๆหลายๆคนมาแวะเวียนมาหาและก็พูดคุยกับลูกที่บ้านแต่ก็ถูกคุณพ่อไล่กลับไปทุกราย แล้วคุณพ่อเป็นคนดูโมโหร้ายทำให้ไม่มีผู้ชายคนไหนกล้าเขา้าไปใกล้ลูกเลยต่อมาคุณพ่อก็มาบอกกับลูกว่าอยากให้ลูกแต่งงานกับคนที่คุณพ่อหามาให้ซึ่งคุณพ่อบอกว่าผู้ชายคนนี้นะชั้นหนึ่งเลยนะเขาเป็นคนดี <c oughs> ขยัน <c oughs> ไม่ดื่มเหล้า <c oughs> ไม่สูบบุหรี่ ท, ทั้งที่ตัวลูกก็ไม่เคยรู้จักเลยเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นมาก่อนเลย <c oughs> ลูกก็รู้สึกไม่พอใจคุณพ่อมากจ <Yeah. S 1> ึงได้มีปากมีเสียงคุณพ่ออยู่หลายครั้งแต่ที่สุดลูกก็ต้องยอมแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นตั้งแตที่ไม่เต็มใจ <Yeah. S 1> กระเพาะทนความโมโหร้ายของคุณพ่อไม่ไหว <Yeah. S 1> และที่สําคัญคือไม่อยากทำให้คุณพ่อต้องเสียใจเ <Yeah. S 1> มื่อลูกแต่งงานแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่กับครอบครัวของสามี <Yeah. S 1> พ่อของสามีจะเป็นคนขยัน มีน้ำใจแต่เป็นคนดูโมโหร้ายชอบทำบุญไหว้พระตามศาลเจ้า<อ>แล้วก็ทำบุญแบบสังคมังนเคาะทั่วไป<อ>ต่อมาพอสา ม, มีได้ป่วยเป็นโรคความดันสูงแต่ท่านไม่ยอมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล<อ>ได้ซื้ อ, อยาหมอตีตามร้านขายยามากินเองที่บ้าน<อ>เป็นเวลาหลายปี<อ>จะยุยได้62อปีเท่ากันเลยเนาะ ร่างกายซีขวาก็เริ่มหมดแรงใช้การไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถเดินได้อีกตังนอนอยู่เฉยๆให้ลูกหลานคอยดูแลเป็นเวลาถึง5ปีแล้วก็เสียชีวิตมาอยู่ได้67ปีโอใจหายครูผู้ใหญ่ส อ, อสวส่วนคุณแม่ของสามีเป็นคนใจดีแต่ไม่นิสัยตะนีทำบนบ้านตามประเพณีสัญญาก็จะชอบทำบนตามศาลเจ้า แล้วก็ทำบนแบบสังคมสังเคราะห์เหมือนพ่อของสามีแม่สามีเสียชีวิตด้วยโรคชรารเราอายุได้แปลสิปีครอบครัวสามีนะั้นมีพี่น้องทั้งหมด6คนสามเมียลูกเป็นคนที่สาทางบ้านของสามีอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็อาชีพทำขนมดังขนมปังถูกต้องใช่ดังปังปี๊บทรงคาย ม, มีการจ้างลูกจ้างมางานแต่จะให้ลูกลู ก, กช่วยกันทํางานแทนดังจริงๆิงแล้วก็ไม่มีเงินให้ลูกๆในการช่วยงานเพราอถือว่ากินกันอยู่ภายในบ้านก็เพียงพอแล้วมีอาหารก็เป็นคนมารมือมื อ, อไม่มีเงินเดือนให้ <laughs> ลูกคงกินขนมปังแทนสามีของลูกนี่นะดูนะเป็นกําลังหลักในการทํางานภายในครอบครัวเช่นยกปี๊บขนมปังอ ดังไม่เลิกขายของส่งของให้ลูกค้าเองสิ่งในแต่ละวันสามีลูกดูจะเหนื่อยมากมพระพิชายสามีไม่ยอมช่วยงานเลยมากับเปรียบสามีลูกๆเสมอผมไม่เอาเปรียบมันขอให้โอกาสสามีทํางานให้แข็งแรงแต่สามีก็ไม่เคยบ่นในคนทีเข้าครัวฟังในจนในวันสามีป่วดเป็นอมัมพาตพี่เพียงสามีพากันแยกตัวออกไปอยู่ที่อื่น ลรากลัวที่จะต้องรับภาระหนี้สินที่พ่องสามีหยิบยืมมาเป็นเงินหมุนเวียนในการค้าขายรถนั่งภาระที่ต้องส่งน้องๆ้องเรียนจึงทำให้สามีงลูกต้องรับภาระหนักมากๆกับเพียงผู้เดียว<อ>ในตอนนั้นลูกและสามีทุกข์ใจมากไม่รู้จะทําอย่างไรอนอกจากต้องสู้กับปัญหาเหล่านั้นให้ได้<อ>คิดเพีงเยงแต่ว่าในตอนนั้นแต่หากเราไม่สู้เราก็ต้องตาย เลยคิดว่าอดทนสู้ดีกว่าเพราะอย่างน้อยถ้าสู้ก็ยังพอมีโอกาสชนะบ้างลูกก็พยายามบอกกับดาริ่งเสมอว่าเธอเธอต้องอดทนในเวลาต่อมาการค้าขายก็เริ่มดีขึ้นแต่กำไรมากขึ้นจึงทาให้สามีลูกสา ม, มารถชำระหนี้สิงพ่อได้หมดสิ้นเลยแล้วก็สร้างฐานะได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถึงแม้ทุกอย่างกาลังจะไปด้วยดี แต่ลูกและสามีก็ยังต้องทำงานหนักเหมือนเดิมจึงปรึกษากันว่าแต่หาโอกาสก็อยากจะหาช่องทางประกอบอาชีพใหม่ที่ไม่ต้องเหนื่อยและทำงานหนักอย่างนี้เพราะเมื่ อ, อยุมากขึ้นจะไม่มีเลี้ยวแรงทำงานแล้วก็ไม่อยากให้ลูกๆต้องมาทำงานหนักอย่างนี้ด้วยต่อมาไม่นานลูกและสามีจึงตัดสินใจเลิอกอาชีพเดิม แล้วได้ยา้าย้าครอบครัวมาอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาปั้นน้ําเป็นตัวขาน้ำแข็งมาเซ้งโรงงานทําน้ําแข็งอ oh. บรากาอชีตทําน้ําแข็งส่งขาย oh. ให้คนใจเย็นขึ้น <Yeah. S 1> ทําได้อยู <laughs> <Yeah>. oh. ่สีปีปรากฏว่าคนงานใจไม่เย็นเห <Yeah>. oh. มือนน้ําแข็งทะเลาะกัน oh. แล้วพากัน <laughs> ลาออกหมดเลยเ oh. oh. พราะใจไม่เย็นอึ <Yeah>. oh. ้บแรง ทำงานลงน้ำแข็งเฉยๆมันน่าจะใจเย็นนะค<อ> <laughs> ว้ากระดิ่ง น, น้าแข็ง <S <S <laughs> ใจเย็นไหมเย็น<ห> <laughs> เลิกกิจกรรใจเย็นไมไม่เย็นไม่เย็นไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ในช่วงนาฬิกาน้ำบางลูกห <laughs> ถูกขโมยยกเขาอีกโอ้ <laughs> ใจเย็นไหม ไม่เย็นไม่ไหวแล้วเออขโมยช่วยเอาของไปเก็บไว้ให้ไปดูแลออรวมทรัพย์สินที่ถูกจกเข้าไปหลายหมื่นบาทตัวลูกลสามีรู้สึกเป็นทุกข์ใจมากแต่มันก็เป็นความชินชาในชีวิตไปแล้วและลูกคิดว่าที่ผ่านมาหนักกว่านี้เรายังทนมาได้ปัญหาแค่นี้เรื่องเล็ก แต่นี่สุดเราก็ได้อาชีพขายน้ำแข็งอย่างเดิม oh. และน้ำหวานให้กับนักศึกษา oh. เออ <c oughs> ในมาหลาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาเสิร oh. อาชีพใหม่นี้ค่อนข้างสบายกว่าเดิมเพราะตัวลูกรักสามีไม่ต้องทำงานหนัก <Yeah. S 1> มีลูกจ้างมาแล้วตอนนี้ mm. มาช่วยงานอย่างดีเสมอมาวันหนึ่งกณนาที่ตัวลูกรักสามีได้เจอกัน เปิดร้านสา ม, มีก็ไปเปิดเตาแก๊สเพื่อเดือต้มน้ำเอาไว้ชงน้ำหวานขายพอเปิดปับ๊บไฟที่หัวแก๊สก็ไม่ยอมติ ด, ตดสา ม, มีจึงได้ไปถอดหัววาลของถังแก๊สออกมาเช็คดู <laughs> ปรากฏว่าขณะที่กำลังถอดนั้นตัวลูกไม่ <laughs> ไม่ทันมอ ง, มมองสา ม, มีว่ากำลังทำอะไรอยู่ ก็ได้เดินไปเปิดสวิตช์ที่หัวเตาจึงทำให้เกิดประกายไฟขึ้นประกายไฟก็ไปติดกับแก๊สที่พุมาจากถังเนื่องจากสามีของลูกปิดหัววาลถังแก๊สยังไม่สนิทเปลวไฟยังลุกท่วมทั่วบริเวณ้านทำให้ตัวลูกถูกไฟเผาที่แขนและขาสามีถูกเผาตั้งแต่ใบหน้าแขนลาตัวไปจนนึ่งขา สำไมลูกรักษามีต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาหลายเดือนแต่ละทั้งสองนั้นยอมแพ้ต่อชะตาไหมไม่ยอมไม่ยอมพแพ้เราต้องเชียร์เธอหน่อยเลย ว, ว่าขออย่า ย, ยอมแพ้ลูกชายคนที่สองลูกขณะเรียนอยู่ปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยเขาได้มีโอกาสเข้ามาอบรมธรมธ ร, มธรมทรายาตรุ่นที่24ี่เมื่อปีส9 โดยการจชกชวนของชมรมพุทธในมหาวิทยาลัยและหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมเขาก็ได้มาทหนาทีเป็นกันลยาณมิตรเขากชวนตัวลูกและสามีทาบุญเส ม, มอมานี่ก็เป็นหน้าทีของผู้ที่เข้ารับการอบรมธรรมทายาในทุกระดับพึงตั้งมีจิตํำนึกเอาไว้นะจ๊ะว่าก่อนที่เราจะเข้าอบรมนะเรายงเป็นคนดิบอยู่ เราเข้ามาอบรมเพื่อจะให้เป็นคนสุขมนดวงปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะต้องกลับไปศึกษาต่อหรือหมดช่วงกาหนดของกงารอบรมแล้วเราจะต้องเป็นต้นบนต้นแบบที่ดีของโลกนะจ๊ะต้องเป็นประดุจพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่สว่างสวายอยู่บนท้องฟ้า ่าหวนกลับไปดำในสิ่งที่ไม่ดีต้องเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของโลกต้องเป็นผู้นำบุญและเป็นยอดกับรายมิตรนั่นแหละจึงจะถูกหลักวิชานะจ๊ะ <đ úng. S 1> ตอนที่เขาเรียนอยู่ปีสุดท้ายเมื่อปี 4-3 จังหวัดที่จังหวัดสงขลาเกิดมีพายุเข้าทำให้มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันเช้าวันหนึ่งขณะที่ลูกและสามีจะบ้านไปทั้งกตีต 5, เพื่อไปขายของกันตามปกติ ลูกชายก็ตื่นขึ้นมาพร้อมลูกเพื่อลงมาปิดประตูที่ชั้นล่างในขณะนั้นน้ําก็เริ่มท่วมเข้ามาในบ้านถึงระดับข้อเท้าแล้ว<อ>แต่ก็เป็นธรรมดาของที่นี่เมื่อมีฝนตกหนักก็จะมีน้ําท่วมเข้ามาในบ้านเป็นประจำแล้วเขาก็ได้เดินกลับขึ้นไปที่ชั้นสองเพื่อนอนต่อจนกรั่งเวลาแปดโมงเช้ากขากำลังเตรียมตัวออกจากบ้านเพื่อไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนะเขาได้ลงมาที่ชั้นล่างปรากฏว่าน้ําได้ท่วมสูงขึ้นมาถึงระดับเอว หัดยหา่ขนาดนั้นเลยหัดย่ายเนี่หนอน้ำท่วมถึงเอวเลยเนยและในเวลาต่อมาท่วมถึงบริเวณชั้นสองของบ้านอย่างรวดเร็วน้ำอะไรจะบรรเลง่วมรวดเร็วนะจริงเลยเขาจริงติดอยู่นชั้นสองของบ้านออกไปไหนไม่ได้เลย การจราจรขนส่งก็ถูกตัดขาดโทรศัพท์ก็ใช้การไม่ได้โอ้ท่วมถึงชั้นสองนะรเรือกู้ชีพของทางการก็ไม่สามารถกับถึงบริเวณบ้านของลูกได้ในจกกะกระแสน้ำไหลแรงและท่วมสูงมากเขาติดอยู่บนและสองบ้านเวลา <c oughs> สองวัน <c oughs> ได้กินเพียงแค่ขนมปงังสามชิ้นที่เพื่อนให้มาในวันเกิดของเขาเท่านั้นไ <c oughs> ม่มีน้าและอาหารใดๆเลย พอเริ่มวันที่สามที่ความเบื่อหน่ายที่จะตั้งมานั่งรอความช่วยเหลือเขาจึงตัดสินใจขึ้นไปบนดาดฟ้าของบ้านไ ป, ไปเอาห่วงยางซึ่งไม่ได้ใช้งานมานานแล้วแต่ก็พอจะมีลมอยู่ข้างในยอยู่บ้าง <c oughs> ทําให้ห่วงยางนั้นพอลอยน้ำได้เขากาะติดกับห่วงยางแฟบแฝ บ, บนั้นอลอยน้ำออกจากบ้านในเวลาเก้าโมงเช้ายามาขาตีน้ำพยุงตัวลอยน้ามาเรื่อยๆ อ, อย่าลืมว่าอดข้าวไปสอ ง, สองวันนะจ๊ะ เพื่อที่จะไปให้ถึงบ้านพี่ช้างลูกซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของลูกประมาณ10กิโลเมตรเขาลอยน้ํามาพร้อมกับห่วงยางลัดละตามกระแสน้ํามาเรื่อยๆจนมาถึงช่วงที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวและแรงมากที่สุดเขาก็เริ่มรู้สึกอ่อนละไม่อยมีแรงแล้วแสดงว่ากล้องนี่คงจับตามไปติดๆเลยมั้งถึงบริยายดิขนาดนี้แสดงว่าบุคคลนั้นที่จะเห็นอย่างนี้ได้จะต้องห่วงยางติดกัน หรือใกล้กันแน่เลยเอากล้องจับตามเข้าไปใช่จับตลอดสงสัยเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกอ่อนละไม่ค่อยจะมีแรงแล้วเนื่องจากอดอาหารและน้ํามันถึงสองวันแต่ถ้าไม่ข้ามไปก็จะต้องหมดแรงจมน้าตายอยู่ตรงนี้กล้องนักตามอีกเขาตัดสินใจพาตัวเองเข้าไปในกระแสน้ําเชี่ยวพร้องกับหงายากแฝบกล้องตามติดทีเลยและใช้แรงทั้งหมดที่มีเหลืออยู่ฝ่ากระแสน้ํามันเชี่ยวกรลากไป แต่แล้ๆเขาก็ถูกกระแสน้ำพัดไปกระแทกกับก้อนหินใหญ่แหลมคมอือแสดงว่ากล้องนิดติดเลยเนี่ยผู้สื่อข่าวนี่ทาให้ขาข้างซ้ายของเขาเป็นแผลยาวตั้งแต่ต้นขาลงมาจนถึงน่องเลือดไหลออกมามากโอ้โหผู้สื่อข่าวนี่แน่จริงเลยเกิดความเจ็บปวดที่ขาขึ้นมาทันทีนี่เขาบรรยาต่อนะผู้สื่อข่าวแรงกัหมดแล้วก็ขาก็ยังเจ็บอีก เขาคิดเพียงแต่ว่าต้องรอดเหมือนเป็นสมหูชใจกับเขาทีเดียวต้องมีชีวิตอยู่ให้ได้จะต้องไปตายแบบนี้เขาจึงรวบรวมกําลังมาพู้สื่อข่าวนี้แน่ๆรวบรวมกําลังใจขาทั้งสองข้างตีฝ่ากระแสน้ําออกไปโชคดีที่เขาข้ามมาถึงอีกฝั่งได้แล้วก็ได้ลอยน้ําลัดเลาะด้วยอาการที่อ่อนล้าแล้วก็สะบักสะบอมตายไหมไม่ตาย จนกระทั่งมาถึงที่บ้านของพี่ชายลูกในเวลาบ่ายสี่โมงเย็นรวมระยะเวลาที่เขารออยู่ในน้ำแล้วเป็นเวลาถึงเจ็ดชั่วโมงเรียกว่าผู้สื่อข่าวติดกันตรงนั้นเลยบเรียนจบแล้วเขาก็เริ่มทํางานแล้วก็ได้สร้างบารมีควบคู่ไปอย่างต่อเนื่องต่อมามีพระจาลุ่มหนึ่งมาคอยเป็นกระหมิตให้กับลูกชายคนสุดท้องของลูกจนกระทั่งลูกชายก็ได้เป็นคนรุ่นใหม่ ที่สา ม, มารถคำนสร้างพลโมิตรเป็เจ้าหน้าที่อยู่ในวัดปฐม ก, กายค่ะอ๋ออยู่แถวๆนี้นี่เองเหนื่อยหน่อยน่อยู่กระชัน น, นี่ <laughs> น้องชายเขาเป็นคนที่นิสัยค่อนข้างแกรเรเจ้าครอบเพื่อนจะเป็นคนพานเจ้าสูบรุรีและถึงขั้นติดยาเสพติดทาให้ญาติญาติทุกใจและเป็นห่วงเขามากต่อมาน้องสาวเกาได้ชวนให้เขามาบวชที่วัดปฐมภัยซะเลยในสุดเขาก็ยอมมาบวชโดยได้บวชรุ่นคำนวษาปี47 และยังได้อยู่สร้างบุญมีจนถึงปัจจุบันเห<า>นื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันคาําถามบุปรกรรมใดที่ทำให้ลูกถูกคุณพ่อบังคับไปแต่งงานกับสามีโดยที่ลูกไม่เต็มใจเลยทางด้านน้องของน้องนลูกที่เหลือก็ไม่ได้ถูกบังคับไปแต่งงานเหมือนตัวลูกเลยพ่อของลูกเสียชีวิตเพราะกระเพาะปัสสาวะแต่กระทันหันแม่งลูกเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานพอและแม่งลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหน บุญที่โรดิซาวพระัรมกายและบุญทุกบุญที่ลูกหลานทําให้ท่านได้รับหรือทําให้ท่านน่ยท่านได้รับหรือไม่และมีสภาพเป็นอย่างไรพ่อและแม่สามีตายแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนบุญที่โรดิซาวพระัรมกายและบุญทุกบุญที่ลูกหลานทําให้ท่านท่านได้รับหรือไม่และมีสภาพเป็นอย่างไรหรือทำการใดมาจึงต้องทํางานหนักมาตั้งแต่เด็กๆและไม่ได้เรียนหนังสือเลยแต่พอถึงวัยกลางคนชีวิต จึงเริ่มดีขึ้นต้องทําอย่างไรจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้คะกรรมใดที่ทำให้ตัวลูกและสามีต้องถูกไฟเผาตามร่างกายและทําอย่างไรจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้กรรมใดทําทให้สามีลูกมักจะถูกเอารัดอับเรียบจากคนในครอบครองเขาและกรรมใดที่ทำบ้านของลูกถูกขโมโยกเขาต้องทําอย่างไรจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้บุพกรรมใดที่ทำให้ลูกชายคสานสะท้อนต้องติดอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวในขณะที่น้ น, นทั่ว เราตั้งต้องอดอาหารและนน้ำเขาได้ชีวิตมาด้วยบุญประการใดลูกชายคนสุดท้องลูกจะสามารถสร้างบารมีอยู่ในวัดได้ตลอดอราทฟังหรือไม่เขาเคยสร้างบารมีมาอย่างไรจะมีโอกาสได้บวชตลอดชีวิตอย่างที่เขาตั้งใจได้หรือไม่คะถ้าใจเขาตั้งอย่างนี้แล้วก็ได้พระอาจารย์รูปที่คอยเป็นการวิธักับลูกชายคนสุดท้องได้ก็ับมาสร้างบารมีที่วัดมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร และเคยสร้างบารมีกรรมมาอย่างไรกับหมู่คณะไอ้อยู่ๆก็พระอาจารย์โผลมานอะนั่งย้ายลูกกอนบทชทำไมยังมีนิสัยเกเรเจ้าคอบเพื่อนที่เป็นคนพาลติดยาเสพติดเป็นเพราะบุญกรรมใดแล้วเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรจะสร้างบารมีได้ตลอดรอบฟังในเบสธรรมะหรือไม่ก็ถ้าทาอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่รัตนยู่ท่านบอกว่าย่าศึกจะบวชได้ตลอดชีวิตสองคำแค่นั้นเอง ตัวลูกและสามีรวมทังลูกทั้ง4ี่คนนี่ขนาดไม่ได้รักกันน่นเนี่ยเคยสร้างบารมีกมู่คณะมาอย่างไรบ้างทำให้ลูกสาวก็ได้สและลูกชายก็ได้สจึงไม่ค่อยสนใจในเรื่องการสร้างบารมีกมู่คณะแล้วจะทําอย่างไรเขากลับมาสร้างบารมีกมู่คณะได้อีกคะจําเรื่องราวและคําถามได้ไหมจ๊ะ ไดหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นม า, าแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัรจาลูกถูกพ่อบังคับไปแต่งงานกับสามีแต่ที่ลูกไม่เต็มใจทั้งที่พี่น้องทุกคนไม่ถูกบังคับเพราะแน่ดีลูกได้เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เคยบังคับลูกหลาในให้แต่งงานกับคนที่ไม่ได้รัก อีกทั้งตัวลูกและสามีนี่ก็เคยเป็นสามีภริยากันมาติดสร้างบุญร่วมกันมาเราส่งผลจากทั้งหมดนั่นแหละสวมิโ น, นทุกคนไม่ได้มีวิบากกรรมดังนี้จึงไม่ได้โดนมาครับมันตัวลูกจก้ะกรรมใครกรรมมันแต่ว่าก็เคยเป็นสามีภริยาและสร้างบุญร่วมกันด้วยอยู่กันไปนานๆก็รักกันเองเลยคุณพ่อเสรษฐีวิเดอเลากับพระปัทวาแต่กระฐานหารเพลรอเนดีเป็นคนเจ้าโทสะ ได้มีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนบ้านเลยทำร้ายเขาจนร่างกายเขาบอบช้ำกับพปสัสสาวะแตกเช่นเดียวกันมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิมติวัสายยักษ์ระดับธรรมดาด้วยความมักโกรธได้รับบนเทืที่ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านคุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคเบ า, วาหวานเพระาะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งดีและปัจจุบันมาส่งผลจ้ ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวทิศาเจ้าแห่งหนึ่งคนละแห่งกับพ่อแล้วความตระหนี่และชอบไหว้เจ้าตามประเพณีคือมีความรู้แค่ไหนแล้วก็ผูกพันกับอะไรมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นแต้รับบุญที่ทิศมาให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านพ่อแม่สามีตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวทั้งคู่ทิศาเจ้าอยู่ด้วยกันจ้ะ ได้รับบุญเที่ยวที่ไปให้แล้วในทุกบุญกระทำให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านเช่นดูเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมีเสื้อผ้าอาหารที่ที่อยู่ที่อาศัยที่ดีขึ้นกว่าเดิมเจ้าลูกทํา ง, งานหนักมาแต่เด็กแล้วไม่ได้เรียนหนังสือพระการตรรณีแน่ดีทรมาส่งผลเราั้นงเคยอยู่ในสังคมที่มีความเชื่อว่าลูกผู้หญิงไม่ต้องเรียนหนังสือให้ช่วยงานอย่างเดียว แล้วก็เด็บ well ังคับ <nooit> ลูกหลานผู <women> ้หญ <bur> ิงให้ทำทดังนี้จ้ะคือไม่ต้องเรียนแล้วให้ทำงานอย่างเดียวอีกทั้งขาดบุญเรื่องการสนับสนุนการศึกษาจ้ะนี่้ก็ต้องมาเอาบุญปัญญาบารมีนี่แหละกองทุนปัญญาบารมีแต่วบกําลงคนเริ่มดีขึ้นเพราะบุญที่เคยทำเอาไว้อยู่บ้างในอดีตได้เริ่มส่งผลในใบกําลงคนจ้ะ จะแก้ขไขวิบา ก, กรรมนี้ลูกก็ต้องทำบุญทุกบุญในสม่ําเสมอแล้วก็ให้มีปีติยินดีในการทําบุญทั้งก่อนทํากําลังทําและภายหลังจากทาแล้วในทุกครั้งจะตัวลูกและสามีถูกไฟเผาตามร่างกายเพราะเศษกรรมในอดีตเคยปิ้งย่างสัตว์เป็นๆมาทำอาหารมาส่งผลเดี๋ยวทั้งตัวลูกและสามีก็มี ก, มกรรมคล้ายๆกันลจะจะเนี่ยปิ้งย่างสัตว์เป็นๆนะ จะ แ, แก้ไขวิบากกรรมนี้ก็ให้หมันทําบุญทั้บุญทั้งทานศีลภาวนาเราทั้งปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆแล้วทิศสุขสนุษยสัตว์เหล่า น, นั้นจ้ะอีกทั้งอย่าได้ทํากรรมแบบนี้อีกนะจ๊ะสามิงลูกมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนในครอบครองเขาเพราะกรำแน่ดีกด็เคยเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเช่นเดียวกันอีกทั้งขาดบุญสงเคราะห์ญาติและ ไ, ไม่มีญาติไม่ช่วยสงเคราะห์บ้างวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะ บ้างลูกถูกขโมยยกเขาเพราะเป็นวัจีกรรมนี่แปลกดีนะในอดีตญาตของลูกคนที่ลูกไม่ชอบในอดีตญาตนะคนหนึ่งของลูกเป็นคนที่ลูกไม่ชอบหน้าเขาแล้วเขาถูกขโมยยกเขาลูกได้จังหวะ ก, ก็เลยเยาะเย้ยถากถางซ้ำเติมสมน้ำหน้าเขาอีกท่านยังแช่งเขาอีกขอยโดนอย่างนี้อีกหลายๆครั้ง ปัะจีกรรมเหล่านี้จะมาส่งผลให้สังสมุนทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นและอธิษฐานในผลจากวิบากกรรมนี้จะลูกชาคนจะทองต้องติดอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวในขณะที่น้ำท่วมแล้วต้องอดอาหารและน้ำเพราะเฉพาะเรื่องน้ำท่วมนี่นะสามหน้าเดียวเลยเพราะนักข่าวผู้สื่อข่าวติดตามรายงานเกาะติดสถานการพระกรรมในอดีต ได้เคยเลี้ยงสัตว์ไว้ในกรงและลืมให้อาหารสัตว์หลายวันจนมันอดอาหารและน้ํา <c oughs> กับเคยเยืนโลกหมาลงไปในแม่น้ำเพื่อให้มันหัดว่ายนะ <c oughs> แต่พอมันจะว่ายก็กดมันลงไปอีกแกล้งทรามานจนมันถูกน้ําในแม่น้นําพัดไปติดกอสวะ <c oughs> จึงได้ไปช่วยมันกลับมาได้อิบากรรมนี้มารวมสมผล แต่ว่าไม่ได้ทำให้มันตายจึงรอดชีวิตได้จะได้รู้สึกว่ามันเป็นยังไงมึงลูกชายคนสุดท้อมุพุทธนอนท์ที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้เป็นทหารหนุ่มมาเป็นทหารตอนหนุ่มเขาลบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงมาเป็นจึงไม่ได้ทำการออกรบแล้วก็อยู่ในช่วงที่พระราชาได้ออกบวช ด, ด้วย จึงออกบวตามตลอดชีวิตเลยไม่ต้องไปทําปานาธิบายกันหน<อ>ึ่งเข้าใจหาจังหวะเข้าใจนะพอลบเสร็จแป๊บเราเป็นทหารเรารักชาติรักบ้านเมืองรักแคว้นเราต้องเป็นทหารแต่ที่ไหนได้เขเลิกโรกันแล้วจึงมาเมียแต่ก็ยังดีออกบวตามจนตลอดชีวิตมีเน้อทีเ่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมได้เขาถึงพระธรรมกายปกครองตัวกับดุสิบุรีวงบุญพิเศษได้จ้ะสาธุ ผับวชตลอดชีวิตเขามีอยู่แตเขาตั้งใจจริงในปัจจุบันและไม่ประมาณในการดําเนินชีวิตก็สามารถบวชได้ตลอดชีวิตเจ้าร่างกายทําตามอย่างที่พระเด็จพคุณหลวงปู่รตัตนอยู่ปู้รู้ราตรีนานว่าอยา่ศึกทานนั้นเราบวชได้ตลอดชีวิตเลยพ <c oughs> ระอาจารย์ลงที่คอยเป็นกำลัมิตรใ ห, ให้ลูกชายคนสุดท้องได้เขามาสามร้างบารมีที่วัดนั้นพุทธนานที่ผ่านมาก็าาได้เป็นฐานพระราชาองค์ <c oughs> ที่ออกบวช ได้ออกบวชตามพระราชาและได้ออกบวชก่อนทหารหนุ่มคนนั้นน่ะออกบวชก่อนบวชแล้วก็ต่อมาก็ได้มาเป็นพระอาจารย์คอยแนะนําพระบวชใหม่คือทหารหนุ่มที่ฉลาดเล่นฉลาดเนี่ยเขาโรคันเรียบร้อยแล้วมาบวมาเป็นทหารเนี่ยพระอาจารย์ก็ได้ออกบวชตลอดชีวิตในยทำหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมได้เกิดธรรมกายภายในกราบดุสิกบุรีวงศ์มูลพิเศษได้ทั้งคู่นี่จ้ะ น้องชางลูกก่อนบวมมินิสัยเกเรชอบคบพื้นที่เป็นคนพานติยาเสพติดเพราะกรมในดิดดีชอบคบคนผ่านแล้วก็มินิสัยนักเลงข้ามชาติติดมาถึงทาให้มาตกอยู่ในวงจรของคนพานได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียงจะประมาทในการดําเนินชีวิตดังนั้นบางชาติจะเจอกันกับหมู่คณะบางชาติก็ไม่ได้เจอกันอีกทั้งเคยพลัดไปในอบายอี ก, กหลายครั้งชาตินี้กันแล้วแต่ ไปจะไปอบายเลยว่าไปสบายก็ลาสบายสบายซ อ, สอเสือเล่อ อ, อ่างก็าซอเสือแต่เนั้นมาเบื่อแล้วก็ให้ตั้งใจบำเพ็ญสมถะทำให้เต็มที่แล้วประคับประคองตัวให้ดีจะได้ไม่ตกไปในอบายอีกเพราะว่าอบายรอคอยอยู่จะ<อ>ได้ถอยหลังในการสร้างบารมีจะได้กลับดูสิบปรีวงศ์มนพิเศษกมูคนะ่คณะจ้ะตัวลูกสามีและลูกทั้งสคนเคยสร้างบา ร, รมีกมนะู่คณะมาแบบกองสเสบียง ลูกสาวคนที่สองและลูกชายคนที่3ก็มีสายบุญกมูก่คณะเหมือนถึงเวลาเขาก็จะกลับมาเจออีกจ้ะตอนนี้ลูกคอยประคับประคองเขาให้ดีเท่า น, นั้นแหละชานี้มราจะกลักให้ตั้งใจสร้างบา ร, รมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูจิ์บุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าที่ก็เป็นเรื่องราวของแคสต์ ด, ดี สั้นๆเลยจ้ะ